ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบวญยณสัมปันโนเสนอตอนที่19สุดยอดแห่งความเคารพผู้ดงหลงทางแรงกรรมและนักรบ ร, รมหลวงตามหาบวญยณสัมปันโน ได้ให้โอวาาธำมเอาไว้ว่าตุ้มเฮหิจิตจังอาตบังอาขาตาโรสถาคตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อยังกิเลสให้รุ่มร้อนหรือสิ้นไปจากจิตใ จ, จนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นการเห็นจิตนั้นเริ่มเห็นแต่ขณะใจก้าวลงสู่ความสงบมีอารมณ์เป็นอันเดียว แลเห็นละเอียดเข้าไปเป็นขั้นๆคือขั้นสมาธิขั้นปัญญาเป็นขั้นที่เห็นจิตไปโดยลำดับจนถึงขั้นวิมุติหลุดพ้นก็ยิ่งรู้ชัดแจ้งว่าจิตหลุดพ้นแล้วไม่มีทางสงสัยในระหว่างจิตกับขันธ์วิธีที่จะให้เห็นจิตได้เป็นลำดับนับแต่หยาบจนถึงละเอียดสุดคือวิมุตติพระนิพานนั้นคือการภาวนาอบรมจิตนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่นอน ท่านที่ปลี่ตัวออกสแสวงหาที่วิเวกสงัดเพื่อกําจัดสิ่งที่ปิดบังจิตท่านต้องทําแบบนี้ทั้งนั้นแบบนี้เรียกว่าภาวนานดูใจของตัวจนเห็นชัดกําจัดความสงสัยอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเสียได้กลายเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกขึ้นมาภายในดวงใจที่เคยมืดมิดมาเป็นเวลานานเพราะศูนย์กลางของโลกของธรรมคือจิตดวงเดียวนี้แหลนอกนั้น เขาไม่มีความหมายว่าตนเป็นโลกหรือเป็นอะไรมีกิดดวงนี้เท่านั้นไปให้ชื่อให้นามแล้วก็มาหลงตัวเองและหลงสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นพระธรรมวิสุธทธิมงคลหลงตามหาบัวญานสัมปะนอเมื่อท่านได้ให้โอวาตธรรมเอาไว้แล้วท่านได้กล่าวถึงท่านพระอาจารย์มั่นเอาไว้ว่า ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถีระในห้องนอนใดที่ท่านพักอยู่หรือถูกนิมนต์ไปพักถ้ามีหนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าที่ท่านนอนท่านจะไม่ยอมนอนในห้องนั้นเลยท่านจะยกหนังสือนั้นไว้ให้สูงกว่าศีรษะของท่านเสมอท่านถึงจะยอมนอนยกตัวอย่างที่ท่านมาพักที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือธรรมะอยู่ท่านไม่ยอมนอน ให้คนหนังสือขึ้นไว้ที่สูงทั้งหมดนี่แหละลงความเคารพละต้องถึงใจทุกอย่างเพราะธรรมะถึงใจความเคารพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมมุติไม่ว่าอะไรท่านเคารพอย่างถึงใจถึงเรียกว่าสุดยอดถึงแม้กราพระพุทธ ร, รูปก็สนิทไม่มีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นในสมัยปัจจุบันนี้เห็นประจักษ์ด้วยตาด้วยใจของเราเองความเคารพในอัตในธรรมก็เช่นเดียวกัน แม้แต่รูปพระกัจจายนะที่อยู่ในซองยาสูบพอท่านได้มาท่านกล่าวว่าโอ้โหพระกัจจายนะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ท่านรีบเทยาออกเอารูปเน็บไว้เหนือศีรษะบนหัวนอนของท่านท่านกราบไหว้ท่านกล่าวว่านี่องค์พระสาวกมีความหมายแค่ไหนพระกัจจายนะนะจะมาทำเป็นเล่นอย่างนี้ได้หรอแน่ท่านทั้งหลายก็ฟังดูสินี่คือสุดยอด แห่งความเคารพที่ท่านพระอาจารย์มั่นมีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะออกทุดงหลงทางถูกหลอกเอาไว้อีกว่าในขณะที่เราออกเที่ยวทุดงกรรมฐานตามป่าตามเขาในเ ข, นเขตภาคอีสานและเขตภาคอื่นๆเราหลงทางหลงป่า จะเจอไร่ข้าวที่คนเขาไปทําไร่ทํานาอยู่บนภูเ ข, เขาเขาบอกว่าเขาชื่อทิศสายลูกชายชื่อหอมอยู่บ้านนาขามบ้านนาขามอยู่ไกลเราก็ไม่เคยลืมเราจึงถามเขาว่าโยมอาตมาจะเดินทางไปบ้านน้องสนยัยบ้านน้องสนัยไปอีกไกลไม่โยมเขาชี้มือบอกว่าโอ้ยท่านอาจารย์จะไปไกลอะไรนี่นอยู่ฟ้าเขาลูกนี้เอง เขาลูกเล็กๆนี้อยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมนี้เองเราจึงกล่าวถามขึ้นอีกว่าถ้าตะมาเดินไปจะถึงค่ำขนาดไหนเขาก็บอกทันทีเลยว่าอย่างมากก็ตีโปงตำโปงเวลาโพเพชจวนมืดก็ถึงแล้วตีโ ป, ปรงเป็นลักษณะคล้ายละครังแต่ทำด้วยไม้ใช้ตีเวลาประมาณหถึง6โมงเย็นเราได้ฟังดังนั้นแล้วเราก็รีบไปที่ไหนได้เดินทางเกือบตาย3าถึงสี่ทุ่มจึงจะถึงหมู่บ้านนั้นเขาก็หกเรา เพราะเขากลัวว่าเราจะไปอาศัยกินข้าวกับเขาเขาขนข้าวไปพอดีกินสามสี่วันพอกินหมดเขาก็กลับลงมาเอาอีสาเหตุที่เรารู้ว่าเขากลัหกเราเพราะหลังจากนั้นสองสามวันให้หลังยมคนหนึ่งไปจากบ้านนามนที่พ่อแม่ครูจารย์มั่นจำพรรษาอยู่ไปถึงที่นั่นคาว่าที่นั่นก็หมายถึงที่ที่เขาโกหกเราเขาก็บอกว่าไปนี้ดูรอยพระไปทางนี้หน่อยนะ เมื่อวานนี้ได้โกหกพระให้ไปทางนี้จ้างพระองค์นั้นมันก็ไปไม่ถึงนอนสมอยู่กลางป่าละวันนี้เราไม่ได้นอนอยู่กลางป่าเหมือนเขาคิดไว้ละสี่เดินกลางป่าเหมือนขาขาดไปเลยนะสมมุติว่าเดินสะดุดอย่างนี้ไม้ไม่ขาดขาดก็ต้องขาดเพราะความรวดเร็วแห่งการเดินเดินบุกป่าในกลางคืนนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราโดนขาหลอกอันนี้ก็แปลงอยู่นะมันน่าคิดอยู่มากนะ เรื่องกำบันโดนบันดาล น, นะคนที่โกหกเรานี้อีกสามปีต่อมาเราก็เที่ยวทุดงย้อนกลับมาทางเดิมนั่นอีกไปก็พอดีมีโยมบ้านนาขามเขาเข้ามาพักอยู่ที่บ้านน้องสารแก่มาส่งบาดเราแต่ก็บอกว่าแกอยู่บ้านนาขามเราก็เลยถามถึงโยมชื่อทิศสายลูกชายชื่อหอมเป็นอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าโอ้ยผู้เฒ่าตายได้สามปีแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นอะไรตายละ่ะเราถามขึ้น ลงท้องตายแบบปัจจุบันชันด่วนตายแบบไม่บอกหน้าบอกหลงังอยู่ดีๆก็ตายไปเราก็คำนวณเว้ล่วงเวลาพอดีกับที่เราจากตรงนั้นไปสามปีพอดิบพอดีโหน่าเสียดายนะโยมคนนี้จะเป็นอุปถากอธตมานนะเราก็ว่าขึ้นอย่างนั้นอุปถาอะไรล่ะท่านทั้งหลายจงจาเอาไว้ก็อุปถาโกหกนะสิคอยตามโกหกคอยอุปถาเรื่องโกหกนี่ก็บันเดนบรรดา น, น่าคิดอยู่มาก ถ้าจะคิดถึงเรื่องแบบนี้มีอยู่หลายเรื่องไม่ใช่พูดอวดตัวนะพูดถึงเรื่องบุญกรรมมีประจําโลกประจําสงสารประจําสัตว์ทุกประเภทเราหมายความว่าอย่างนั้นหลวงตามหาบัญญาณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในตอนแรงกรรมเอาไว้ว่าพูดถึงเรื่องกรรมบันดลบัรดาลตัวอย่างเช่น เพราะแม่ครูจานมั่นท่านไปบิทบาทเดินผ่านทุ่งนาไปเจ้าของเขาไม่ต้องการให้ท่านเยียบผ่านคนาไปเขาว่าทําคณาเข้าเสียหายเขาก็เอาขี้ไปราาตามคนาเอาไว้ไม่ท่านเดินผ่านมาบิทบาศ ท, ที่นั่นเขากโกรธเคียดให้ท่านสำหรับองค์ท่านก็เฉยอยู่ท่านไม่สนใจละเรื่องกิเลสแบบนี้และแล้วสุดท้ายในที่สุดคนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นคนบ้ากันทั้งครอบครัว มันช่างเป็นไปต่างๆนานาไม่เป็นบ้าก็เป็นใบที่เป็นหมดทั้งครอบครัวเพราะพวกนี้พลอยยินดีในเรื่องนี้ไปด้วยแต่คนที่ลงมือทำเป็นพ่อพอพ่อแม่ครูจานมัดออกมาบินทบาทท่านจึงเหยียดชี่ที่เขาทีราดไว้ปเปื้อนเท้าไปหมดเมื่อเป็นดังนั้นพวกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคงจะดีใจพอ ย, ยินดีไปด้วยคือสมรู้ร่วมคิดเป็นใจแล้วกรรมส่งผลให้เป็นบ้า ผู้เทาหัวหน้าครอบครัวก็เป็นบ้าแล้วลูกเต้าเกิดมาก็เป็นบ้าก็มีเป็นไบ่ก็มีคนดีๆหาไม่ค่อยมีในบ้านนั้นเป็นกันอยู่อย่างนั้นจนชาวบ้านเขาเล่ารือกันว่าเป็นเพราะกรรมที่ทํากับท่านพระอาจารย์มัน่นตั้งแต่นั้นมาไม่มีจะอยู่จะจินยากจนข้นแค้นเขาชี้หน้าด่าทอกันทั้งหมู่บ้านเพราะใครๆเขาก็รู้กันทั้งหมู่บ้านว่า ทำกรรมอนาบัตสีทำกรรมอนาธุเรษกับท่านพระจา่ามอย่างนั้นเวลากรรมมันส่งผลมันเป็นเหตุให้โลกเขาเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันนี่แหละที่เรียกว่ากรรมตามทันเรื่องตามมหาบัวยานสัมปันโนเด้เล่าถึงทีวประวัติของท่านในขณะออกธุดงเป็นหนึ่งเสมือนนักรบธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาไว้ว่าเราออกทุดงเข้าป่าไปอยู่คนเดียวหมู่เพื่อนก็ไม่มีแต่ก่อนเพราะเราไม่สนใจกับใครอยากก็กินไม่อยากก็ไม่กินกี่วันก็ช่างเ้าตายก็ตา ย, ตา ย, ตายจนหลังห้่มกระดูจนกระทั่งกลับออกมาจากป่าหมู่เพื่อนพากันตกตะลึงแม้แต่พ่อแม่ครูาจารย์มั่นเห็นเรามาจากภูเขาตัวเหลืองเป็นขมิน้นยังตกตะลึงจนท่านอุทานว่าโอ้โหทาไมเป็นอย่างนี้โอ้ทาไมเป็นอย่างนี้ พอท่านว่าอย่างนั้นท่านก็แจ้งปุ๊บทันทีว่ามันต้องอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่านักรบธรรมท่านกลัวเราจะอ่อนแอร้องไห้แง่แง่เพราะเราเป็นเหมือนกับลูกตัวแดงแดมันคอยแต่จะออดจะอ้อนพูดถึงสมัยไปทุ ด, ดงน้าท่าก็ไม่มีไปคนเดียวเจอวัดไหนก็เข้าไปซักผ้าเสร็จแล้วก็ออกมากรรมฐานนี่ไปไหนถูกไล่ตลอดพวกเจ้าคณะนี่หละที่ไล่กรรมฐานแต่เราไม่เคยโดนเลยเอาคาว่ามหาออกหน้า อย่างดีก็มาดูแบบเฉียดเฉียดถ้ากล้าก็เข้ามาสิว่าอย่างนั้นเลยลองได้ขึ้นเวทีแล้วต้องเอาให้ตกเวทีจะเอาทาวินัยนข้อไหนละ่ะมาไล่เราก็ว่าอย่างนั้น